อันว่าปฐุมชาติดอกบัวและดอกกระมุดนี้ก็เกิดเหนือปัทพีมีน้ำเลี้ยงพระผู้เป็นเจ้าพระนาคเษนถวายพระพรถามว่าดูรานะบอพิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐดอกกระมุดดอกบัวเกิดที่ปัทพีผิวพันธ์สีสันฉไนจึงไม่เหมือนกันกับปัทพีเล่าพระเจ้ากรุงมิลินภูมินทราธิบดีแก้ว่า